แล้วปัจจุบันนี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยก็มักจะนิยมให้ลูกเนี่ยเข้ามาเป็นเนนนะคะมาศึกษาพ่อแม่ผู้ปกครองสมควรที่จะให้การศึกษาหรือให้ความรู้กับบุตรก่อนที่จะมาบวชหรือว่ามาศึกษาธรรมนะคะเพราะว่าไฟล์เสียงนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับผู้ปกครองอย่างน้อยท่าอาจารย์ช่วยแนะนาผู้ปกครองที่จะให้บุตรมาศึกษานะคะโดยการเป็นเนนนะคะ การเข้ามาเป็นเนเนี่ยจริงๆไม่ต้องเตรียมมากเพียงแต่ว่าทำไงให้ให้เด็กเขายอมบวชเนี่ยเพราะตอนใเพราะว่าประเด็นคือคือเราต้องให้ข้อมูลเขาบ่อยเด็กเนี่ยอยู่ที่พ่อแม่ก็อย่างที่เอามาพูดพูดมาเช้าเนี่ยในชั้นคำสอนเนี่ยแม้จังเด็กยังต้องกล้าทำ เหมือนอนาถาพินิกะจ้างลูกให้ฟังธรรมนี่ก็เหมือนกันก็หมายความว่าเมืนกรณีของการให้ไหมโดยฐานะเป็นแม่เนี่ยเวลาจะให้ทราบแก่บุตรเนี่ยให้สองอย่างให้นิดนิจจะสมัยกับเ อ, อ่อการละสมัยนิจจะสมัยก็คือให้สตังลูกทุกวันแต่มีบอกว่าให้เอาไปทําบุญ่เป็นการฝึก ให้เขารู้จักคําว่าให้เนี่ยให้ทุกวันอาจจะให้วันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่ให้เขาไปทําบุญทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันน้นส่วนหนึ่งส่วนการละสมัยก็คือสมัยไหนที่จะเป็นการสําคัญที่เราควรจะให้บุตรอันนั้นเขาเรียกว่าให้ทรัพย์ในสมัยมอบทรัพย์ให้ในสมัยแต่พ่อแม่ทุกวันเนี่ยให้ลูกไม่เป็น คือไม่สามารถที่จะให้ลูกเพื่อให้ลูกไปเชื่อมโยงต่อพระรัตนตรัยได้นี่ก็เรียกให้ไม่เป็นแทนการให้ที่ถูกต้องให้ลูกแล้วก็ให้ลูกเข้าหาพระรัตนตรัยให้งานของลูกก็หมายก็อ้าวที่แม่ให้ลูกเนีก็คือให้ทรัพย์นั่นเองแต่ทรัพย์ส่วนนี้ให้ลูกเอาไปทําบุญการให้บ่อยๆเนี่ยเป็นเหตุทําให้เขาเข้าหาพระรัตนตรัยเมื่อเข้าหาพระรัตนตรัยแล้วเนี่ย หน้าที่ของพระพุทธเจ้าและสาวกของพพุทธเจ้าก็จะเอาพระธรรมแต่ก็ต้องดูนะฮะให้ไปทำที่ไหนอย่างไรแต่ทุกวันเนี่ยนะถ้าแต่ก่อนเนี่ยก็จะมีการยึดโยงกันเช่นเออในนี้เป็นคำสอนของพพุทธเจ้าเลยว่าแม่ควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไรก็คือมอบทรัพย์ให้ในสมัยสมัยมีสองท่านแยกเป็นสาม เป็นนิดๆอย่าสมัยก็คือสมัยเนืองนิดให้เนืองนิดแต่ให้ลูกนั้นเอาทรัพย์ส่วนที่ให้ตลอดนั้นน่ะเอาไปทําบุญอย่างนี้แสดงเห็นชัดเป็นการให้แบบทีละน้อยละน้อยละน้อยแต่ให้บ่อยๆนั่นแหละนั่นแหละอันให้ลักษณะนี้ลูกก็สละเป็นบุญก็ฝึกเน้นไปเรื่อยๆต่อมาคืการละสมัยก็การที่มีการวันสําคัญวันใดๆวันแต่งงานวันอะไรก็แล้วแต่นั่นเป็นการสมัย และอีกสมัยหนึ่งที่แม่ควรให้สมมุติถ้าลูกจะต้องตายก่อนแม่ก็สมัยนอนอยู่บนเตียงใกล้ตายแม่ต้องให้ทรัพย์ให้ลูกให้ทําบุญในยะกลับกันก็ในยะเดียวกันก็คือลูกก็เหมือนกันเมื่อรู้ว่าพ่อแม่ป่วยอยู่ที่เตียงใกล้ตายก็ต้องให้พ่อแม่ทําบุญโดยการมีทรัพย์มีสิ่งของก็ให้แม่ให้ให้แม่ทําบุญให้พ่อทําบุญก็คือแต่จริงๆแล้วนี่ยเป็นกิจของพ่อแม่ จะต้องให้ลูกเป็นนิจจะนิจจสมัยกับกาลสมัยทีนี้ถ้าเราฝึกลักษณะอย่างเนี้ยลูกก็จะมียึดโยงต่อพระราตนตรัยและแต่ในภาวะปัจจุบันเนี่ยสภาพสังคมมันขาดตอนการยึดโยงกันระหว่างออวินัยของคารวทก็ถูกตัดขาดไม่เอามาปฏิบัติกันพระเจ้าแสดงขีหิวินยัยวินัยของนักของคารวะ วินัยของอุบาสกอุบาสิกาฉะนั้นในข้อตรงนี้คือคารวาสทั้งหลายก็เสียศีลในชั้นของจารีตกันเป็นแถวเป็นแนวในกลุ่มที่เสียศีลในชั้นของจารีตศีลแต่พอจะมาพัฒนามาเป็นวาริตศีลคือศีล5ศีล8ศีล9ศีลสิส 5, ส 8, ส 9, สพัฒนาไม่ขึ้นตกบันไดกันเป็นแถวเป็นแนวเพราะไม่ได้ถูกปูพื้นฐานในชั้นกุศ ล, ลจิตที่เป็นไปกับชีวิตจริง เช่นเป็นไปกับการปฏิบัติต่อพ่อแม่ปฏิบัติต่อครูอาจารย์ปฏิบัติต่อเพื่อนปฏิบัติต่อบุตรภรรยาเป็นต้นญาติมิตรและปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกมุตตยาณพอไม่ได้ยึดโยงในข้อของวินัยของการว่าตรงนี้ก็ก็เรียบร้อยโดยเฉพาะหนักไปก็คือว่ากรรมกิเลสทั้งหลายกรณีการทรําปานาธิบาตบางอาทิตนาทานในกลุ่มของการคบมิตรด้วยแล้วก็ไปใหญ่เลยตรงนี้ ครบทเล่นการพนันครบคนชั่วเป็นมิรเกียดติค้านทางการงานประเภทตีลำที่ไหนไปที่นห่นดีสีตีเป่าที่ไหนเสพพาที่ไหนขับล้อที่ไหนเสพเทที่ไหนก็ไปที่นั่นล้ำที่ไหนก็ไปที่นั่นนี่ไปเลยเดนเดนสภาพสังคมก็เลยแตกเลยคำว่าแตกในที่นั้นก็หมายความว่าวินัยวินัยที่เป็นคารวาสที่ที่ที่ครือข่ายทั้งหลายควรจะปฏิบัติก็ก็ไม่มี ตัวนี้จุดเชื่อมโยงตรงนี้ที่จะเป็นไปกับกุศลเนี่ยก็ไม่เกิดอย่าลืมนะอันนี้เป็นวินัยของพระอริยะไม่เราอย่าไปคิดว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ธรรมดาธรรมดาเนะแม้นพระอริยะทั้งหลายในชั้นพระโสดาบันพระสกาทาคาเป็นต้นนี่นะที่เป็นคาวาดทั้งหลายหรือพระนาคากลุ่มที่เป็นคารวาดทั้งหลายเนี่ยจะบรรลุธรรมได้สามรรคม เป็นพระโสดาบันก็มีสกาทาคาก็มีอนาคาก็มีแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านก็อยู่ไม่ได้แล้วจะเป็นฆราวาดก็ถ้าไม่ยอมบวชสะตายเลยเลยไม่ได้ไไดเขาเรียกว่าเพศรองรับคุณธรรมเบื้องสูงไม่ไหวไม่สามารถจะแบกไดไต้ต้องต้องนิพพานวันนั้นแหละอย่างนี้เป็นต้น